ทนีคคำต่อไปคือสาทถังสั พ, พยัญชนะเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอัพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเกวละปริปุนังเนี่ยนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมะนี้ย่อมประกาศศาสนพรหมจันท ร, ร์และ ม, ร, มรรคพรหมจันทร์แสดงโดยนยยต่างๆศาสนพรหมจันท ร, ร์นี่คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยไตรสิกขา ศาสนานี่คือไตรสิกขาไนงะพรหมจันทร์คือความประพฤติประเสริฐคือไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาอันนั้นจะต้องมีแบบแผนใช่ไหมจึงจะปฏิบัติถูกถ้าไม่มีแบบแผนเนี่ยจะรักษาศีลได้ไหมถ้าไม่มีแบบแผนจะเจริญสมถะได้ไหมถ้าไม่มีแบบแผนจะเจริญนิพพสนาได้ไหมแบบแผนอันนั้นบาลีว่าตันติตันติอ่านไหมตันติอันนั้นแหละที่เรียกว่าปริยัติธรรม ปริยติธรรมนี่คือตันติเป็นตัวที่บอกแบบแผนว่าศีลเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีแบบแผนคือปาติโมกนะเช่นที่สวดๆเนี่ยถ้าไม่มีแบบแผนอันนั้นจะรักษาปาติโมกได้ไหมก็รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นปริยัติธรรมนี่จึงเป็นแบบแผนแห่งไตรสิกขานั่นเองมันถ้าศาสนาพราหมย์นี้อมความว่าไตรสิกขาพร้อมทั้งแบบแผนเนี่ยนะคือปริยบนั่นเนี่ยและพราหมย์อีกพท์หนึ่งหมายถึง อริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคก็ชื่อว่าพรหมจรรคเพรั้นพรหมจรร์ น, นี้แบ่งออกเป็นสองคือศาสนาพรหมจรร์และมรรคพรหมจรร์ศาสนาพรหมจรร์คือว่าให้ง่ายคือไตรปิฎกเนี่ยนะไตรปิฎกนั้นก็กล่าวถึงศิกขาสามมรรคพรหมจรร์ก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้ทั้งศาสนาพรหมจรร์และมรรคพรหมจรร์ น, นี้พระองค์นี้แสดงโดยนัยยะต่างๆชื่อว่าพร้อมทั้งอัดเพราะสมบูรณ์ด้วยอัดตามความเกิดอย่างไร คำว่าอัดนี้หมายความว่าแสดงนะว่าทุกอย่างเกิดมาจากยังไงก็แสดงตามนั้นทั้งหมดชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะความสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะนี่ในที่หนึ่งนะเพราะว่าทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริบูรณ์ในที่สองบอกว่าชื่อว่าพร้อมทั้งอัดเพราะประกอบด้วยสังกาสนาประกาศนาวิวารนานะวิพัชนาอุตติยกโรโหมปัญญาติอันนี้ก็ผู้ที่อ่านเนติปกรณ์มาแล้วก็น่าจะ พอได้อะไรมาบ้างจากอัาตรงนี้เนี่ยนะพราะขั้นขยายตามเนติปกรณ์นะนะพร้อมทั้งพยัญชนะก็คืออักขระประดะพยัญชนะอาการนิรุติเนี่ยนะพวกนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสเรียนเนติปกรณ์แล้วก็จะได้เจอกับคําเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะสังกาสนาปกาสนาวิวารณาวิพัชนาอุตตนะกรติเนี่ยนะเดี๋ยวก็อาจจะได้เจอกัน ชื่อว่าพร้อมทั้งอัดเพราะอัดทว่าลึกซึ้งด้วยอัดและลึกซึ้งด้วยปฏิเวท น, นะนะส่วนพร้อมทั้งพยันชนะคือลึกซึ้งด้วยธรรมะและลึกซึ้งด้วยเทศ น, น, นะนะพุทธศาสนาเนี่ยมีคัมภีรภาพอยู่สี่ประการด้วยกันเนี่ยนะคัมภีรภาพในพระศาสนานะคำว่าลึกซึ้งอ่ะ น, นะมูลนิลาวันจาได้ลนะลึกซึ้งมีกิสี่อย่างสี่อย่างมีหนึ่ง ลึกซึ้งด้วยอัฏะสองลึกซึ้งด้วยธรรมะสามลึกซึ้งด้วยปฏิเวศสี่ลึกซึ้งด้วยเทสนาเนี่ยปิดเอาไว้เอง ตัวในครั้งหนึ่งนะคำพีรภาพสี่ที่แปลว่าความลึกซึง้งความลึกซึ้งอันแรกคือลึกซึ้งโดยอัตตะข้อสองก็ธรรมะสามก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทข้อสี่นะลึกซึ้งโดยเทศนานะ อัฏฐอัฏฐทั่วๆไปจะที่บายว่าเช่นเนื้อความแห่งพระบาลีเนี่ยนะเนื้อความหรืออัตกถาก็ได้ถ้าธรรมะคือบาลีพุทธพจน์แบนั้นเถอะในหนึ่งอีกในหนึ่งอัฏฐะก็คือกลุ่มปัจจัยุบันทั้งหลายอะนะธรรมะก็คือ กลุ่มธรรมะที่เป็นปัจจัยเหตุเรียกว่าธรรมะผลเรียกว่าอาัฏฐะเนี่ยนะทั้งเหตุทั้งผลก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนนะหรือถ้ากล่าวโดยสัจจะนะอัฏฐะคือทุกขสัตว์และทุกขสัตว์กับนิโรธสัตว์เนี่ยนะส่วนธรรมะคือสมุทัยสัตว์ และมัคศัพพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกันส่วนลึกซึ้งโดยปฏิเวทคือการบรรลุอภินยามัคผลนิพพานเนี่ยนะการจะตรัสรู้โลกุตระธรรมก็เป็นของที่ลึกซึ้งส่วนเทสนาล่ะเนนะเทสนานี้ลึกซึ้งยังไง พระวินัยปิฎกเนี่ยสองหมหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกสองหมืหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระอภิธรรมปิฎกนี้สี่หมื่นสองพพระธรรมขันธ์รวมเป็น8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์นนีนี่เป็นความลึกซึ้งของเทศนาใช่ไหมถ้าอย่างเฉพาะเอาเฉพาะสุตตันตปิฎกขึ้นมานะทีคนิกายสาสสูตรมัชฌิมนิกาย หสูตรอังคุตรนิกา อ, อสังยุตตนิกายเจ็2เจดกสองก็คือเจ6ดพอสูตรอังคุตรนิกาย9 5้าห้าห้าดก็คือ9 5้าห้าสูตรคุตการนิกายอีก15หคำพีเนี่ยนะมีอันนี้ก็คือความลึกซึ้งของเทศนาเนี่ยนะถ้าอย่างพระวินัยปิฎกนะยิ่งเขามีขันธจักกับพัทจัก ธรรมะเนี่ยอย่างมีการหมุนรอบเนี่ยนะถ้าอย่างอภิธรรมปีดกนี่มีมูละมูลีก น, นะมีความลึกซึ้งในในในเทศนานี่มากนะคบเรียกว่าลึกซึ้งโดยเทศนา น, นะนี่คือความคัมภีรภาพลึกซึ้งในศาสนานี้นน ะ, อะสองคำนี้อัดกับปฏิเวทอยู่ในหัวข้อว่าอัถะ ส่วนธรรมะกับคําว่าเทศนาอยู่ในหัวข้อว่าพยัญชนะศาสถังอันนี้ข้างบนเนี่ยศาสถังข้างล่างสัพยัญชนะเนี่ยนะพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สุขุมคัมภีรภาพมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบ่อใหญ่ที่นักศึกษาธรรมะเอาไว้หลบเพราะฉะนั้นตอบอะไรไม่ได้มันลึกซึ้งสบายมากหลุมนี้ใหญ่มากหลบแล้วก็เป็นอันเลิกสอบถาม ธรรมะก็อยู่ในกลุ่มถ้าถ้าตรงนี้ขยายศาสต ร, ร์ทั้งสรัพยัญชนะไงธรรมะก็อมอยู่ในพยัญชนะด้วยนั่นตอบอะไรไม่ได้นี่ลึกซึ้งไว้ก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถามต่อหรอกแต่เขาถามว่าอลึกซึ้งมีอยู่สี่อย่างคุณจะเอาลึกซึ้งข้อไหนนะครัวนี่ย น, นีจะก็จะยุ่งอีกเหมือนกัน เออเหมือนกับคําว่าบอกโอ้ทุกอย่างนี้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเหมือนกันอันนั้นก็ลุมใหญ่มากนะคนไม่ค่อยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมาก็เออใช่ใช่เยอะแต่คนก็ถามว่าเออแล้วปัจจัยมันมียี่สิบสี่คุณจะเอาปัจจัยไหนแล้วกันนี่ก็แล้ก็ชักยุ่งบอกแล้วแต่เหตุแล้วกันเอาเหตุมันมีหกจะเอาเหตุไหนในเหตุหกเนี่ยนะเอาโลภะเหตุโลภะ เ, เหตุก็อุปนิสยัยมันเยอะจะเอาจากอะไรเป็นอุปนิสัยของโลภะอนนั้นเอง แล้วก็ถ้าเขาไล่มากๆแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะ ถ, ถ้าตอบแล้วเขาไม่ค่อยไล่ก็สบายไปรอดอีกในหนึ่งถ้ากล่าวแบบปฏิสัมพิธาเนี่ยนะลึกซึ้งโดยอัถะกับโดยพยัญชนะนี้แบบปฏิสัมพิธานะอัถะกับปฏิเวชนี้เป็นขออภัยนะตรงนี้เป็น ธรรมะปฏิสัมพิทานี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาปฏิเวชนี้เป็นปฏิเวชนี้อยู่ในกลุ่มอัฏฐปฏิสัมพิทาส่วนเทสนานี้อยู่ในนิรุติปฏิสัมพิทาเห็นไหมตัวตัวนี้สองตัวนี่นะบางทีตรงนี้คือปฏิพานนะปฏิสัมพิทาด้วย พันศาสตร์ทังสรรพยัญชนะนี่อมปฏิสัมพิทาไว้4ประการนี่นะเพราะว่าอัถฐหมายถึงอัฏฐปฏิสัมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทาส่วนธรรมะมาขอไปพยัญชนะหมายถึงธรรมะและนิรุตติปฏิสัมพิทาถึงพร้อมด้วยอัดเพราะยังชนผู้พิจารณาให้เลื่อมใสโดยรู้สึกว่าเป็นบัณฑิต คือใครที่พิจารณาอยู่เนี่ยจะเลื่อมใสมงงืนกนเถอะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านะโดยพยันชนะเพราะว่าโลกิยชนให้เกิดความเลื่อมใสและก็เป็นสิ่งที่ควรเชื่อได้คือศรัทธาได้มนพร้อมด้วยอัตถะเพราะว่ามีความประสงค์ที่ลึกซึ้งส่วนคือมีเนื้อความเนี่ยลึกซึ้งมาก สัพพยัญชนะเนี่ยใช้คําง่ายๆสํานวนแบบมาก่อนนั่นบอกว่าพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมใช้คําง่ายๆแต่ความหมายลึกซึ้งเนี่ยเชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ควรนําเข้าไปบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะต้องนําออกธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปตัดพอดีเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศพรหมจรรย์ คือเป็นเรื่องที่ประพฤติและประเสริฐจริงๆถ้าผู้ใดปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้จะเป็นผู้ประเสริฐเลยเรียกว่าพรหมจรรย์และเพราะเป็นธรรมะเหล่านั้นอ่ะควรประพฤติเพราะกําหนดเอาศิกขาสามเห็นไหมสิกขาสามนะสรุปว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะนะจะขยายในแง่ไหนก็ช่างสรุปย่อมาก็เหลือศิกขาสามคืออธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา มีขยายอีกในหนึ่งว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมพร้อมด้วยเหตุและพร้อมด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นจึงทรงแสดงธรรมะชื่อว่างามในเบื้องต้นพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ได้เหตุจะไม่แสดงธรรมเหตุที่จะทําให้พระองค์แสดงธรรมคือหนึ่งปัจจัยนั้นๆเรื่องราวนั้นๆเช่นพระวินัยไม่ใช่อยู่ๆแล้วพระองค์นึกอยากบัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วบัญญัตินะไม่ใช่ จะต้องมีอุปัติเหตุมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์จึงบัญญัติพระวินยัยแล้วพระองค์ก็จะถ้าแสดงธรรมะก็จะบอกเหตุด้วยว่าถ้าปฏิบัติตามนี้จะมีผลอย่างนี้นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้เสียหายอย่างนี้บางแห่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะทั้งฝ่ายดําฝ่ายขาวพร้อมทั้งอุปมาและวิบากของธรรมะฝ่ายดําฝ่ายขาวเหล่านั้นด้วยส่วนงามในท่ามกลางคือโดยสมควรแก่เวนยศัสตร์ทั้งหลาย นะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์ไม่ให้วิปริตถ้าถ้าเป็นพระองค์แสดงเลยนะแสดงกับใครเนี่ยก็เหมาะสมกับคนนั้นซึ่งเขาฟังแล้วก็อย่างน้อยที่สุดได้วาสนาไปแล้วได้อุปนิสัยที่ที่จะตรัสรู้มรรคผลในายพายภาคหน้าแต่ว่าถ้าเป็นสมัยพู้จการโดยมากเขาฟังแล้วก็บรรลุเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้บรรลุล่ะไม่เสียหายขอให้มีศรัทธาเถอะ ท่านบอกว่าถ้ามีศรัทธาชื่อว่ามีอุปนิสัยแล้วเห็นถ้ามีศรัทธาก็จะยังคุณธรรมยังอื่นๆนี้ประกอบอีกและพระ อ, องค์ตรัสว่าบุคคลจะข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธานะังั้นศรัทธานี้เป็นคุณธรรมที่ที่มีพระองค์ยกย่องมากเหมืนั้นน่ในที่สามบอกว่าและเมื่อทรงแสดงงามในที่สุดโดยให้ผู้ฟังได้ศรัทธาและโดยสรุปจึงประกาศพรหมจรรย์ ท่านกล่าวธรรมะนั้นพร้อมทั้งอัฏฐะและฉลาดในอธิคมตามลำดับชื่อว่าทั้งพยัญชนะเพราะฉลาดในอาคมแห่งปริยัติคำว่าอัฏฐะหมายถึง อ, นะอธิคมนะอธิคมเนี่ยหมายถึงมรรคผลนี่ยนะอัฏฐะหมายถึงอธิคมคือมรรคผลส่วนพยัญชนะหมายถึงอาคมคือปริยัติเหมือนนบริสุทธิ์บริบูรณ์ คำว่าบริบูรณ์เนี่ยหมายถึงบริบูรณ์ด้วยธรรมขันห้ามีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันเป็นต้นส่วนบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเล์เพราะไม่เพ่งถึงโลกามิตรเพื่อความข้ามพ้นคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์แสดงเนี่ยพระองค์ไม่ได้มุ่งต่ออมิตรเลยบางสูตรนี่พูดเหมือนเลียบเคียงกับกับของที่เขาจะเอามาทำบุญนะถ้าเอามาถวายจริงจงพระองค์ไม่เอานะแต่พูดชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังแต่ แต่คําพูดเหมือนกับเรียบเคียงเนี่ยพระองค์จะไม่รับจริงๆไม่ได้เรียบเคียงหรอกแต่เล่าให้ฟังถึงเหตุถึงผลแต่คนฟังไม่ดีเหมือนเอ็กําลังเรียบเคียงเอาของเขาแต่ถ้าคําพูดที่สัมนวนเหมือนเรียบเคียงอยู่พระองค์จะไม่รับเนีนะเช่นดูในสุนทริกสูตรเนี่ยนะผมก็แสดงถึงว่าใครเป็นผู้ควรรับปัจจัย4ี่พระองค์ก็ยกว่าพระองค์เนี่ยมีคุณธรรมเช่นนั้นเช่นนั้นจึงควรแก่ปัจจัยสี่นะถ้าเขาเอาอาหารมานั้นมาถวายพระองค์ไม่รับเนี พองบอกว่าไม่รับอาหารที่ได้มาโดยการขับกล่อมเนี่ยนะเกลี่ย ก, กล่อมหรือในกสิทธารทวาชสูตรที่พระองค์แสดงกับชาวนาน ะ, นนะว่าพระองค์ก็ทำํำนาหน้าของพระองค์เช่นมีสติเหมือนเชือกอย่างนี้เป็นต้นปัญญาเป็นเหมือนผานอย่างนี้ทีนี้ถ้าพระองค์ก็แสดงไปชาวน า, าก็มีอาหารนั้นมาถวายพระองค์บอกไม่ฉันถือว่าอาหารที่ได้มาโดยการขับกล่อมเหมือนนเพราะพระองค์แสดงธรรมไม่ได้เพ่งโลกามิสต ต้องการสิ่งเดียวคือมีรถเดียวนะวิมุติรถเนี่ยนะเพราะว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือจุดประสงค์ที่พระองค์ปรารถนาสัมโพธิญาณเราก็คงไม่ลืมใช่ไหมปรารถนาว่าทั่วในครั้งหนึ่งเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงธรรมยังไงที่จะให้เขาตรัสรู้ด้วยเมื่อเขาตรัสรู้ก็ถือว่า สำเร็จวัตถุประสงค์เนี่ยนะสำเร็จวัตถุประสงค์ส่วนลำพังแล้วพระองค์เป็นผู้ที่สุขุมาราชาติอยู่แล้วพระองค์เป็นสัมมนาสุขุมาลปัจจัยสี่ที่พระองค์ใช้นะคนต้องขอรอ้ อ, รองนะขอร้องนะเป็นเป็นสัมมนาสุขุมารเย่างนั้นจะจะบริโพกปัจจัยสี่ที่คนอื่นขอร้องโดยมากเนี่ยนะบางทีขอร้องไม่รู้จะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นส ม, มนาพิเศษ นี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดปัญญาคือสุตะทีนี้การฟังคําว่าสุตตานี้สามารถแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นเบื้องต้นอะไรเป็นท่ามกลางอะไรเป็นที่สุดเนี่ยนะพยัญชนะเป็นยังไงอัฏฐะเป็นยังไงเนี่ยนะก็ต้องแยกแยะให้ออกส่วนคําว่าอัฏฐะกับพยัญชนะนี้จะได้กล่าวพิสดารอีกครั้งในเนติปกรณ์นะเพราะคํำพีเ น, นติปกรณ์คือคํำพีที่แสดงอัฏฐะกับ พยัญชนะหาราศิภเป็นเครื่องมือในการพิจารณาพยัญชนะเนี่ยนะส่วนนิรุตินอีกสามข้อเนี่ยนะนันทิยาวะตะัตติปุคละศีหาวิกิลิตะนัยยะสาม น, นั้นเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอัฏั้นคัมภีเนติปรกรนี่ก็คือคมภีที่กล่าวถึงอัฏฐะเละพยัญชนะของพระไตรปิฎกเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสังวรณน า, นาสังวรนา น, านานี่แปลว่าการไขความการขยายความเนีย่ยนะของสังวันเนตัพะ คือพระธรรมที่ควรขยายความคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะส่วนศาสนประฐานก็เป็นหลักการ เ, าเหตุของการตั้งสูตรหรือว่าสูตรทั้งหลายจะเกิดขึ้นเพราะลักษณะเหล่านี้เหล่านี้นนครัเป็นคำภีร์ที่พูดถึงว่าพระสูตรเนี่ยเป็นลักษณะของพระสูตรเป็นยังไงพยัญชนะของพระสูตรเป็นยังไงอัฏฐะของพระสูตรนี่เป็นยังไงแล้วก็อัฏฐะและพยัญชนะก็ค้นคว้าได้จากเนติปกรณ์ นะผู้การแจกไปก็หลายสิบเล่มแล้วนะก็เข้าใจว่าคงมีคนอ่านให้บุญผู้การบ้าง น, นะอจางก์สอนอ่านจบแล้วนะอ๋ออ่านจบไปแล้วนะก็ใครสงสัยก็ไปถามเอาอ่านได้ลนะปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาทั่วนีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งคือ สายดีมิตร ด, ดีครูดีอาจารย์ดีสรุปว่าครูดีเหนนข้อ2เข้าไปถามนะถามแล้วไม่ใช่ถามแล้วท่านต้องตอบแบบเข้าใจแบบแจมแจ้งกลับมานะไม่ใช่มิน ง, งงกลับมาหมดไม่ใช่เข้าใจกลับมาอย่างดีเยี่ยมข้อที่3คือห ล, ล, ลีกเลี้กเนเนี่ยนะหลีกทางกายและจิตข้อ4เป็นผู้มีศีลข้อ5เรียนมาม า, มากทรงจำไว้มาก หูสูตรเนี่ยนะคำว่ามากในที่นี้อมความว่าฟังแล้วเข้าใจอริยสัจไปปฏิบัติตามได้นั่นแหละชื่อว่าปหูสูตรเนี่ยนะจุดประสงค์อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอาแต่หูถ้อยคำเนี่ยมาเป็นกุรุตกุรุตไปหมดจับประเดื้อหาอะไรไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าอาจจะใช้คําไม่มากก็ชื่อว่าสุตตามากแล้วถ้าฟังแล้วกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคได้ถือว่านั่นแหละชื่อว่าคนมีสุตตามากแล้วให้เอาตรงนั้นเป็นอัดนะ ไม่ใช่ใครไม่นั่งฟังพระไตรปิฎกเหมือนฉันใครไม่อ่านพระไตรปิฎกเหมือนฉันก็าบอแกนี่ไม่ฉลาดเลยเนี่ยนะวางงั้นไม่ได้บางทีเขาอาจจะดีอีกแง่หนึ่งก็ได้ส่วนข้อ6นะว่าเป็นผู้ปรารบความเพียปรปารบความเพียรตรงนี้จะขยายคําว่าเพียรให้เพียรยังไงคือเพียรเพื่อละอ ก, กุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมอยู่เป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นเหตุข้อที่ห เป็นปัจจัยข้อที่6เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความภัยบุ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนะนะก็สุตะมากแต่ถ้าขี้เกียจซะอย่างเดียวเลยนะจบเลยเนาะศีลดีเรียนมากแต่ว่าปล่อยให้อากุส น, นี้กลุ่มรุมเสมออนนั้นะนะ จงกรมก็ไม่เอานั่งก็ไม่เอาเวระชานกถาก็เยอะคลุกคลีก็มากอะไรอย่างนี้ก็จบเลย น, นะนะคว่าจบหมาว่าไม่เจริญอะไรเลยสักอย่างนะไม่งอกเงยแต่ในที่นี้ก็เป็นต้องเป็นผู้มีความปราลบความเพียรทั้งทางกายและจิตเนี่ยนะเพียรทางกายก็คือเดินมากนั่งมากเนี่ยนะอย่านอนมากคืออย่าหลับมากะนะอาจจะใช้อิริยาบดมากติดกันเจดวันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะในอังคุตรนิกายอัตกถาพูดถึงมีอยู่รูปหนึ่งท่านโดนเจ็วันยืนเจ็ดวันนั่งเจ็ดวันแล้วก็นอนเจ็ดวันบรรลุเป็นพระราษ น, นะนะเอาสีา่อิรยาบดอิรยาบดและเจวันสัปายะหมดนะไม่มีอิรยาบดไหนที่ไม่สัปายะว่างั้นเถอะเจริญได้แล้วก็บรรลุนะสี่สัปดาห์นี้บรรลุเลย แต่ว่าพิเศษมากนะถ้าเราไปเดินบ้างเจวันนะอะไรจะเกิดขึ้นนะ น, <c oughs> นานขนาดนั้นเหลังจากเขาว่าเพียร น, นี้ก็คือเพียรทางกายและเพียรทางจิตเพียรทางกายก็คือเพียรด้วยการเดินการนั่งหรือการยืนเนี่ยนะเพียรทางจิตก็คือเพียรในการเจริญเนคข ม, มะวิตกอัพยาปาทาวิตกและอวิหิงสาวิตกนั่นเองส่วนข้อที่7ว่าเป็นผู้มีสติ ประกอบแล้วด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนอันยอดเยี่ยมระลึกเนี่ยนะสริตาเนี่ยคือระลึกอนุสริตาคือตามระลึก น, นะใช้คําว่าระลึกด้วยนะตามระลึกด้วยถึงสิ่งที่ได้ทําคําที่ได้พูดไว้แล้วเนี่ยนะแม้นานคือสิ่งที่ทําเช่นกุศลเหล่าใดที่เคยทํามานะ อัตถกถาท่านยกว่าวัดปฏิบัติทั้งหลายที่เคยประพฤติวัดมามหาวัด80เจติยังคณะวัดเป็นต้นวัดในการปรนิบัติเจดีเช็ดถูปัดกวาดบูชาพระเจดีกราบพระเจดีเป็นต้นนะนี้ยกเป็นต้นปฏิบัติครูบาอาจารย์เนี่ยกลละลึกได้หมดเลยคําที่พูดเช่นคําที่ตัวเองพูดหรือคําที่ผู้อื่นพูดพูดควรพูดอะไรพูดคําสอนนะนีที่ตัวเองพูดคําสอนอะไรไปก็ละลึกได้คนอื่นพูดก็จําได้เนี่ยนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติ ทนี้อธิบายเพิ่มว่าคำว่าระลึกกับตามระลึกนี่เป็นยังไงอัตกถาเสขะปฏิปทาสูตรมชิมนิกายมชิมปัญนาตนะกล่าวว่าคําว่าสริตาอนุสริตาความว่าเมื่อกายกรรมนั้นกระทามานานด้วยกายชื่อว่าเป็นกายยวิญยัตนะลึกทบทวนว่าที่เคยทําทั้งหมดนั้นเป็นกายยวิญยัตเมื่อวจีกรรมกล่าวนานชื่อว่าเป็นวาจาเป็นวจีวิญยัตทั้งสองนั้นเป็น รูปถ้าว่าย่อๆไปก็คือรูปนะสิ่งที่ทาคาที่พูดเป็นรูปประธรรมทั้งนั้นแหละจิตและเจตสิกที่ยังรูปทั้งสองให้ตั้งขึ้นเป็นอรูป่านะจิตและเจตสิกเนี่ยนะที่ตัวตัง้งตัวที่ทำให้วินยัตทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเป็นอรูปเธอย่อมระลึกและตามระลึกว่ารูปประธรรม อรูปธรรมเนี่ยนะแยกชัดไล่ว่าโอ้นี่กลุ่มวินยติรูปนะกลุ่มรูปธรรมนี้กลุ่มนามธรรมนามนี่เป็นปัจจัยแก่รูปแต่แล้วก็ระลึกต่อไปว่ารูปทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้อ่านะรูปทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดได้อย่างนี้รูปเกิดเพราะอะไรเกิดนามเกิดเพราะอะไรเกิดอ่านะใช้คํานะรูปเกิดเพราะอะไรเกิดถ้ารูปเกิดเพราะตัวย่อๆอะสมุทฐานสี่เกิดรูปจึงเกิด ถ้านามเกิดวัตถุ ก, กับอารมณ์เกิดนามจึงเกิดเนี่ยนะก็ปัจจัยยุนอื่นอีกเข้ามาแล้วดับไปเพราะอาการอย่างนี้เนี่ยนะแยกว่าเอ๊ะรูปธรรมนามธรรมเหล่านั้นดับไปเพราะอะไรอธิบายว่ายังสติสัมโพชงให้ตั้งขึ้นอันนี้เรียกว่าคนที่มีสติจริงๆนะแล้วลึกได้แล้วก็แยกแยะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยพิจารณาเหตุเกิดและความดับของขันห้าเหล่านั้นเป็นอย่างดีนี่นะแหละคนมีสติมางี้น อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจเพื่อ 5. เพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความภัยบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนะคนที่มีสติเนี่ยนะระลึกได้มากทรงจำได้มากนี่ก็เหตุแห่งปัญญาก็มีพระเถระรูปหนึ่งนะพูดถึงพระศีงกาที่มีปัญญานี่ยนะมีปัญญาเก่งๆอยู่เลยเนี่ยตรงๆสามรูปด้วยกัน อีกองหนึ่งเขาบอกว่าจําได้ตั้งคลอดมาได้เจ็วันนี่จําได้หมดเลยคลอดได้ห้าวันองค์หนึ่งคลอดห้าวันเนี่จำได้หลังจากนั้นจําได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ระลึกไม่ได้อีกองหนึ่งบอกว่าตั้งแต่9้าวันนั้นมาพอคลอดได้เก้าวันนะระลึกได้หมดเลยอ่านะอีกองค์หนึ่งเขาบอกว่าคุณปิดประตูเมืองอ่ะนะแล้วประกาศชื่อทุกคนให้ท่านได้ยินครั้งเดียวอ่ะนะในตอนเช้าอะ่ะจะเอาคนทั้งเมืองเลยนะแล้วบอกชื่อริเสียงเรียงนามแล้วให้ออกไปให้หมด แล้วท่านเหล่านั้นเข้ามาใหม่นะบอกได้ตามที่นั่นอนะเป๊ะหมดเลย อ, องค์นี้ทรงพระไตยัยปิฎกด้วยนะเขาบอกว่าท่านมีความสา ม, มารถระลึกได้ขนาดนั้นะนะถ้าแบบคนมีปัญญาขนาดนั้นนี่โหใจเจริญนิปัสนานี่เยี่ยมมา ก, กานะพระตยัยปิฎกนี่ไม่ต้องอ่านรอบสองเนี่ยนะพรา อ, อ่านรอบรแรกก็ถ้าไปอ่านอีกมันก็จําได้อยู่เท่าเดิมเพราะจำได้อยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องคอมอเครื่องคอมหรือเครื่องบันทึกเทปไม่ต้องบันทึกอัดซ้ําอีกรอบสองไม่ต้อง น, นะนะ อีกข้อหนึ่งข้อที่8นะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้าอยู่ว่าดังนี้รูปดังนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้ความดับไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนีนย่ยนะหัวข้อนี้ซึ่งอยากจะให้เอาไปเพ่ง ไปพิจารณาให้มากๆก็คือสามกลุ่มด้วยกันว่าโดยสรุปเลยนะว่านี้ขันห้านนี้ความเกิดนี้ความดับ นะก็มันแยกนะหนึสอาี่หาคำว่าเกิดเนี่ยเกิดเอารวมความแค่ไหนก็สมุทยัทยสัจนจะเก็ตัวขัน5นี้ขัน5ก็เท่ากับบอกว่าเป็นทุกขสัจจะอยู่แล้วนี้ความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เท่ากับบอกว่าสมุทยัทยสัจเพราะหลักคำสอนตรัสว่า ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าความเกิดก็คือมีเหตุเป็นแดนเกิดนั่นเองถ้าความดับก็ต้องเป็นนิโรธทศ จ, จักเนี่ยนะซึ่งว่ารูปจะดับเพราะเหตุเหล่านี้ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะดับเพราะเหตุเหล่านี้เป็นต้นดับอังก็บอกว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรธอะไรไปเห็นแบบเนี้ย ก็ตัวมักหรือปัญญาเนี่ยนะมักขึ้นต้นด้วยปัญญาปัญญานี่แหละที่ไปเห็นว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปเนี่ยนะอันนี้ควรเจริญก็ว่าคิดอะไรไม่ออกให้ไปคิดอย่างนี้กันแล้วกันวันนี้ขันทนี้ความเกิดแห่งขันท่านี้ความดับแห่งขันทถ้าไม่รู้นะตรงกันข้ามกับปัญญาคืออะไรวิชาปัญญากับวิชาไหนควรเจริญ ปัญญานะคุณเวลาวันรู้วัตถุประสงค์แล้หวังว่าไปเจริญตามนั้นนี้เป็นเหตุข้อที่8ปัจจัยข้อที่8เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพัยโบ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วธรรมะแอย่างเหล่านี้ที่มีอุปการะมากเนี่ยนะ ก็8ข้อนี้สำคัญมากนะเหตุของปัญญาที่เป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคเนีทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรกอัครูข้อ2สอบถามข้อ3ลีเกรนข้อ4มีศีลข้อ5สุตตะข้อ6ความเพียรข้อ7สติข้อ8ปปัญญาเนี่ยนะ แล้ว ก, ก็นี่เหตุของปัญญานะเหตุที่จะทําให้สมถะและวิปัสนาเนี่ยบริบูรณ์สมถะวิปัสนาที่บริบูรณ์ก็ยังอารยมรคให้บริบูรณ์นั้นปัจจัย8ประการนี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนั้นก็สแสวงหาปัจจัย8ประการนี้ให้ให้พบเนี่ยนะถ้าผูใ้ใดบริบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งแปดประการก็หวังได้ว่าเจริญในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเนี่ยนะพระเช้าก็สมควรกัเวลา อ่านได้ก็ก็ไม่ต้องกล่าวก็ไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะนะไม่ต้องไปนั่งสมมุติว่ามาเล่าโอ้โหเอ สมมตินะคโคกนี่อร่อยจริงๆเลยเนะคโคกเนี่หวานมากนะถ้าใครถวายโคกน่าจะได้บุญอย่างนั้นอย่างเนี้มันก็เท่ากับพูดให้เขาเอามาให้นั่นแหละเพราะอย่างนั้นไม่ควรฉันอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะของมาไม่ฉันอยู่แล้วตอนนี้เป็นหลวกงพ่อ อ, นนอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคือเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดเนี่ยก็ตัดประเด็นตั้งแต่ไม่พูดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพราะเรื่องไตรปิฎกนะกะถาวัตถุสิบเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนทัศนะมากน้อยสันโดษเพรยเรื่องให้พูดเยอะแยะนะไม่ต้องไปพูดกล่อมเรื่องนี้อันนั้นพระองค์เทศพระองค์เทศแต่ว่าคำเทศเหมือนกับว่าน้อมเข้ามาในตัว เ น, นพันธ์อย่างพระพิสูจนทั่วไปเวลาเทศก็ไม่ไม่ควรน้อมอย่างเช่นพูดอันนี้สงของทานก็พูดว่าเหตุคือการให้ทานอย่างนี้ผลเนี่ยจะมีผลต่อไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปพูดว่าต้องถวายกับฉันนะเนี่ยนะถวายที่วัดฉั น, นไม่ใช่อย่างนั้นง่ายนิดเดียวพอมานี่ที่สีสอดนี่ประจำเลยก็บอกของทํามาไม่ได้รับแค่นั้นเองเขาไม่ใส่เลย ก็พอเห็นเขาถือมาแล้วก็บอกของมาไม่ได้รับนะแล้วก็ไม่ได้หยุดยืนคุยด้วยบอกไม่รับเราก็เดินไปของเราไปเขาก็ไม่ว่าอะไรนี่เขาก็บอกโอ้เสียดานะไม่ได้เตรียมไว้เขาหวังงั้นแค่นะ้นอย่างนี้นะ้าเกิดว่าพูดแล้วเขาเกิดมาถวายวันหลังวันนี้ไม่รับไม่เป็นไรวันหลังจะถวายแล้วกก็ก็ก็วันหลังอ่ะไม่ใช่วันนี้ไม่ถือว่า อเอาลึกขนาดนั้นเลยนะคือคือถ้าเป็นวินัยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โยงไปขนาดนั้นเรก็เฉพาะหน้าเนี่ยวันหลังเขาจะเกิดศรัทธาอีกก็เรื่องของเขาไปอะไรไปก็ไม่ใช่ในหัวข้อที่ท